้องภายในคือตัวของเราเราเคยพึ่งพาแสงมานนมนานมันพายืนพายเดินพานั่งพานอนพาพูดพากาพาไปมาทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินจะเหินไปสถานที่ใดก็หมดมันพาเราไปอยากดูตามันก็ให้ดูได้สะดวกสบายอยากฟังหูก็รับฟังให้ได้ดีอยากสูดกลิน ยินหอมหวนชวนให้ขึ้นเรื่นใจมันก็สําเร็จประโยชน์ให้ได้รีนรถเราต้องการอยากจะชินหรืออยากจะทานสิ่งที่มันอร่อยอร่อยก็สำเร็จประโยชน์ให้ไหด้ออทุก อ, อ, อย่างแล้วก็พึ่งหาอาศัยมันมาต่อจามันนําประโยชน์ความสุขมาให้ในผลที่สุด เราตั้งใจจะขึ้นกายกายกลับมัดแก่จะเดินจะเฮินกังกงก ง, ง, งานงานจะลูกจะไปจะมาทั้งใดตรงนี้จะเจ็บมันปวดมึ่เมื่อเมื่อระวังจะพึ่งกายท่นี้จะข้าพนนาไมายไปมาในคล่องแคลวตัวเจ็บคือไข้ลุกไม่ได้น้อยนีก็เสื้อก็หมอน แม้ที่สุดลีนรสชาติที่เราต้องการปรารถนามาแต่ก่อนเก่าอาหารที่อริดอร่อยช้ามาให้มันก็ไม่มีรสในกาตเลยพึ่งกันไม่ได้กลับการเป็องร้านทางถถาโอดถ้าหากคนใดมาพิจารณาอย่างนี้แล้วเือว่าพึ่งไม่ได้แล้วบทที่พึ่งแล้วค่งจิตเฉยอนตระสเหมือนแต่เราไปขอพึ่งพี่น้องหรือคนผู้ลักผู้ใหญ่ เมื่อไม่สมมงมาตรศาสนาเขาจะหาหน้าพึ่งตนเองพยายามพึ่งตนเองด้วยกําลังเลี้ยงแรงของตนเองการทํามาหารทียเก็บทุกสิ่ปทุ ก, การหูต า, าวใบหน้าเองดีจุิงอย่างเราจะแข่งขันแข่งพึ่งตนเองฉันใดในการเจ็บไข้ได้ป่วยเราแล้ไม่สบายหมดทั้งทางพึ่งําไม่ได้ต้องย้อนสลัก ไม่ยอมช้าลายับพึ่งตนเองอันตนในที่นี้สิหรที่นี่มันลาบากเรายังไม่ได้เห็นตนนี่สิมันลาบากถ้าหากเรารู้จักต้นเห็นตนแล้วฉันจะมีที่พึ่งตามบารีเป็นอาจารย์เฮียตนนาโถต้นของตนลายเป็นพึ่งของตนเพราะว่าญาณโรปโรตอยาคนอื่นพึ่งไม่ได้ครับอันนี้อันตนก็ยังมาทํารู้จักในไม่ช้าจะพึ่งกันเลยพึ่งตอนได้อย่างไร ที่เรามาหัดบอบ ร, รมพาวนาทำสมาธิก็เพื่อต้องการอยากกาให้ทิพย์หาที่พึ่งคือหาตนเขาตนเมื่อหาตนเขาตนแน่แล้วคาวนี่เรายังจะพึ่งตนอีกตนในที่นี้นั่นแต่ที่ปลายฟังเลยเสียวอะ่ะได้แก่ จ, จิตใจถ้าหากก็คุงจิตไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้จักตนไม่เห็นตนจากตนแน่ฉันจะมีตนอยู่ ก็เหมือนก็ไม่มีชีวิตจิตใจเรามีอยู่ชีวิตมีอยู่จิตมีอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นจิตตัวตนกานได้ยื่ว ย, ยังไม่มีตัวตนมีก็สักแต่ว่า ม, มีไม่มีประโยชน์ถ้าหากคนใดมาพิจารณาอบรมพาวนากรรมฐานจนกระทั่งจิตสงบได้ในขณะที่จิตมันสงบมันได้เข้าไปหลงยึดตัวตน มันจะมีแต่จิตสงบยัแห่งเดียวผู้สงบที่เรียกว่าเอกคจารลมคือจิตมันแน่วอยู่ในความสุสงบอันเดียวเราก็จะเห็นพัดถึภาวะกายไม่ใช่ตัวกายไม่ใช่ตัวแน่นอนเพราะเวลานั้วมันไม่มีปรากฏกายมันปรากฏตั้งแต่จิตอันเดียวนั่นละ่ะหาหาดขณะ ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยบพึ่งมันไม่ได้ละกายมันเจ็บมันป่วยบอกไม่ได้สอนไม่ฟังห้ามเลยเรื่องของกายมันเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้เรื่องของสองเป็นอย่างนั้นห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ไม่เถกของเราแค่ น, นี้จิตเราห้ามได้จิตนั้นไม่ได้สงสายกันที่อื่งจิตนั้นมาสงบเกี่ยวด แล้วก็เชื่อมาแล้วอันนี้เราเป็นตัวของเขาเราทอดทิ้งกายแล้วไปอยู่ในคนสมุทไปอยู่ในที่สมุนั่นเรียกว่าพึ่งนนตนเองนั่นจะไปพึ่งร่างกายมันต้องหาที่อย่างนี้เลยหาที่พึ่งแล้วจะพากันงมงายอยู่เรื่องหัวนี้เนะี่ะพึ่งที่พึ่งอ้อพึ่งลูกพึ่งหานพึ่งคุปาะานพึ่งใครต่อใครว 8, ่าแจกทนประการอย่าไปหวังเลย คนเจ็บใคไขึ้นึ่งในไหนก็ลองคิดคิดดูดีนั่งเฝ้านอนเฝ้าอย่างนี้เฉยคนเจ็บเมา่สาจ็บมากเฉยเขาอะไรแค่จะไปรู้เรื่องถ้าจะมีเครื่องวัดกันได้เจ็บยุบภายในของใคของมันมีความรู้สึกเฉพอะใครมันนอกจากจะไปร้องไห้ยแล้วโผล่กันไปแปลงความเศร้าโศกหรือความอะไรอวงงังวะกระเทนนั่นพระเหตุที่เรา ไม่ได้อบรมใจคือเราไม่เห็นตัวตนถ้าหากคนที่ได้อบรมแล้วดังอธิบายมากายพึ่งทางอาศัยไม่ได้เคยอธิบายมาหลายครั้งแล้วที่อาศัยไม่ใช่ที่พึ่งเหมือนกัเราอาศัยบ้านโดยวันนี่นะตวลาที่เราอาศัยกันแดดกันผลอย่างไงนั่นเรียกวที่อาศัยไม่ใช่ที่พึ่ง ท่ท่านพูทั้งเองาชีพถน่นะของตนทุกนมีที่งตนนี่ไมาควมเป็นึงแล้วนี่พึ่นก็มาอาศัยมันเป็นคนอเรื่องกันอาศัยในร้อยสัยชั่วคราวโยญที่มันยังไม่ถึงแตกับถึงจะเจ็บเท่าไรถ้าหาไม่ถึงกบแตกกระดับล้วยังจะต้องอาศัยมันอยู่นั่นแหละมันก็เหมือนเหมือนกับบ้านนี่นะนปุ่กลงรู้วามดแล้วก็ตาม ฝนตกมามันรั่วตรงนี้เราขยับระนับนรโ่วตรงนั้นขยับไปตรงนั้นเพราะอยู่ช่วยยาาที่ฝนมันตกไม่นี่มาแทนสนุงหมวดนิจญาสายแบงนี้ตอนเราที้พึ่งก็เป็นอย่างนั้นแล้วเข้าไปพึ่งเป็นอันเดียวจนกับเราเลยใจของเราเมื่อมันสงบแล้วนั่นเราก็อยู่กับคนสงบเรียกว่าที้พึ่ง อันนี้พึ่งในด้านภาวนาถ้าอย่างหยาประมาณต้นต้นไม่ใช่พึ่งตนคือห ม, มายความว่าแล้วไม่ต้องพึ่งคนอื่นเราทำที่เป็นตนให้ได้คิดสร้างตนเองให้เีหลักฐานเราไม่ไม่งอ ง, งองขอพึ่งพาคนอื่นทํำอะไรด้วยน้ําผักดําแหลงตนได้วยกําลังของตนแท้ทีเดียวเราหาเราใช่เราได้เรากิน แล้วต้องวางอ้อนขอใครเพราะนั้นแหลยกว่าทีพึ่งนั้นส่วนใหญ่พึ่งย่างละเอียดเข้าไปก็งจะพึ่งสวยงามคนดีเราตร้างคนดีอะไรครับ เ, เกียรดตดิกรใครจะว่างให้ยังไงก็ตามถพอใจไม่พอใจก็ช่างตอนเดียวเราเห็นหมอหม อ, อยู่อะต้อวเรามีคนดีเราต้องเอาคนดีมาที่ตัวเราคนดีนั้นของหายากคนแวดหายได้ง่ายหาไหนก็ได้คนดี บาปการรมทุกเจตีทุกสิ่งทุกการหาได้ไม่อยาก <Hey. S 1> จะคนดีหาได้ยากเมื่อได้คนดีแล้วเป็นของดีแล้วลก็ต้องรักษาความดีไว้ถ้าเรามาเปลี่ยมันก็เกลือรักษาคามเข็มถ้าจะหาไปบ้านในเมืองไหนก็ตามเถอะมั น, นทุในในกข์แต่รักษาแต่เรือแต่แผลแต่เน็คก็ตามแต่ตัวไห้เข็มเท่าเก่าคนเราพูดเข็มแล้วคือผู้พึ่งตนเองไน่แล้วพึ่งคุณงามความดีที่โนหาได้ยากที่โนสรานได้ยาก เมื่อได้แล้วจะไม่ทอ ด, ททอดของเราเราพอดคนจะไม่ยอมทิ้งแล้วไม่เกินไม่ยอมร่วงละเมิดให้คนชั่วนั้นล่วไหลเข้ามาได้เลยนั่นเรียกว่าพึ่งตนเองหาที่พึ่งได้ดิ้นเสือฆ่าหาก็เราหาที่พึ่งได้อย่างนี้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยจะแตกจะ ด, ดับมันไม่เป็นสองอสจิจัน์อะไรเหรอกสอง ท้องจะปลายเหตุนิดเดียวเมื่ออะไนี้เหตุมันก็อย่างนี้ผลเมื่อจิตมันเมื่อกายมันจะแตกจะดับแล้วก็มองเห็นอยู่ตดแต่ ว, ว่านี่แหละมันแตกมันดับด้วยการอย่างนี้วิธีนี้นเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้อย่างนี้ชัดในใจขอนผมแล้วเราก็จะแอบไปพึ่งตัวขวาง้นได้รับความสุขเ ย, ยือกเย็นนี้พอ หาก็มีอุบายปรรยาัญญาพิจารณาให้ละเอียดมากกว่า น, นั้นอีกเราก็จะเห็นคนแตกคนดับของสังขารร่างกายเป็นรายลักษณ์เพื่นิจังทุกข์ขังนักษณะทุกนอย่างนี่นี่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็ขังทุกข์ไว้เป็นไปในตัวสตวเมื่อเกิดขึ้นมาขังทุกข์ไว้เป็นไปในตัวสัตว์ไวไปไปตวตอย่างนี้อันตัวทุกข์น่ะมันจะนำเอาอ เหตุทให้เกิดทุกต่อไปมามาเท่าเท่าไหร่ทีนึงเมื่อทุกขแล้วจะทียร ธ, ธยานคนเอานั่นเรียกว่ามาน้ําเหตุคนพวกข์มาน้ําเหตุมาให้เทียรธยานธรรมดา ค, คนทียรธยานดิ้นรนมันก็เป็นเรื่องแสวงหาของทุกข์ล้ำไปแสวงหาสิ่งที่ผิดบ้างที่ถูกบ้างที่ผิดก็เป็นโทษต่อไปที่ถูกก็ยังเป็นขุดอยู่บ้าง สมมตว่าเร า, ดด า, าทุกข์เดือดร้อนเพรที่ไนมีเินอยู่อางกินไม่หากินก็จะต้องตายหาเินก็ไม่มีกำลังเต็ม้อจะหาได้ได้ก็ไม่เพราะบาปก็ท้องเพราะเห็นพวกเงนินเขาโตโตทั้งหลายเพราะจะยั่งเบาได้ล้วเพาจะขโมยเขาได้ขโมยเอาเลยพระทุกข์ปินหตุนั่นยังไส่างคนทั่วสุจริตประการต่าง เคยนี้สมัยหนึ่งอดข้าอยู่บงบุตรสมัยนันมากดที่สุดเข้าขันหนึ่งสองบาทคนไม่มีเงินมีสตางค์จะซื้อข้าจริงจนแสงเงินเข้าไปตลาดขโมยเพของถ้าพุทธสตางค์เขาใส่กระเสอาไปซื้อตลาดไปจ่ายตลาดเห็นมันก็สวย อ, อ่ะเอเ อ, เ, อเรีย ก, กจําหวนมาจากมันจะดีใจมันก็นยอมมัรับ เอา้วเข้าห้องขังขตำวรวจเลี้ยงเอาไปเลี้ยงจำรัฐบาลก็เลี้ยงมันยังดีซะไม่ต้องหาห้าโมไปนเงี้ยไม่ได้แหะมันดึงก็ได้ดน่ะมันก็จ้างก็ได้ดีน่ะทำให้เอาร้องมันนี่นนุ่งนั่นผมจำให้จำที่อยากไปขังขเมื่อไงยอมมาจ้างทำอาห้กินไปยืนในตารางรัฐบาลก็เลี้ยงเองสบายเลย นี่เพราะควาทุกข์เป็นเหตุให้ทำคนชั่วมันเป็นอย่างนี้อาศัยร่างกายเกิดเครืหมาแล้วเราอาศัยเราไม่เข้าใจเทียงว่าอาศัยแราวคือเป็นตนเป็นตัวมันจึงเลยเป็นเรื่องประโยชนิการนี้แต่จะบงังุงตายเนี่ยมันเป็นความทุกข์เน้นไม่ทุกข์ของปรารถนาก่อพยาธยกรรมไปเรื่อยแต่จะเป็นเหตุให้เกิดตัวเดือรอนเลยสรางกองทุกข์เหตุใ้เกิดทุกขต่อไป อันนั้นเรียกว่าสมุทยัยเกิดจากทบเกิดจเือดเมื่อสมุทัยมีแล้วคือต่างบาตต่างกรขึ้นมาแล้วมันเวียนว่าสายเถื่อนนะพวกมันทำไม่ถูจนะกจะเจาะตัวมาผู้มีปัญญาวิจนาเห็นแสงฐานร่างกายเป็นก้อนทุกข์แล้วก็จะเบื่อนหน่ายในก้อนทุกข์แล้วจะพยายงามจะไม่ให้ก้อนทุกข์นี้ต่อไปอีกคือไม่ให้เกิดต่ออีกแล้วก็พ่ายงามที่จะตัด ต้นต่อที่จะให้คกอปพอเกิดทุกคือตัวที่เยอะ ท, ที่จางจึงได้ยอนชนะทุกทุยวิศทางตายเป็นตายเป็ น, นเปน็นเราจะรักษาด้วงส่วนหบวอันเดียวนี่แหละเวลาเจ็บใคยได้ป่วยลรว ห, หาที่พึ่งฮัดไว้กบลมไว้หาที่พึ่งให้มันแตกหางมันแตกดับสลายมันก็ไม่มีปัญหาเลยด้วยดีไม่ดี ยิ่งสบายใจครับโอปปามาเปรียบเหมือนกับว่าหนังสุนักเน่ามาหุ้มตัวของเราอยู่ทั้งหน้าเกลียดทั้งเล็นทกขก็ข ป, ปลดแขนกขก็ปลดแต่ไม่ได้จะกระชิงไหนมีคนเอาไปทิ้งให้เราจะสบายใจสักเท่าไห ร, ร่อปปามาเปรียบร่างกายของคนเราแข็ทุกข์แข็ทุกข์เขเกิดขึ้นมาแล้ว พวกพวกิธีทางการเคยอธิบายฟังมาแล้วยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนิยาบทเพราะระงับดุกทุกเพราะมีหัวยก็หายกับเพราะระงับทุกให้หาเครื่องมาบำรุงบำรเดอช่วยระงับทุกอยู่ดีๆดีๆไม่ทําอะไรเลยเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามนกับเพราร่างกายร่างกายนี้เป็นต่อเกิด ข, ของทุกข์ ทุกข้างหลางมาแย่งเอาความสุขของเราจากร่างกายไปตลอดเลยยี่บสี่ชั่วโมงมันจะมาแย่งทิ้งเอาความสุขมาเนี่ยไม่ให้เราได้รับความสุขเพราะร่างกายเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ดังอธิบายอยู่นี้คุณเห็นโทษตัวหน่ายเช่นนี้แล้วถึงมันจะแตกจะดับก็ไม่มีการที่จะอะไรเอาไว้เมืาอแตหนังคสุนักเน่าที่อธิบายให้ฟังอุปมาเปลี่ยนเป็ัต มันหุมห่อตัวของเราอยู่ทั้งหมดมีคนเอาไปทิ้งให้มันก็สบายใจทั้งหมดเรื่องหมดเหนียนหมดมกระปรปลทุกที่เราบแบกอันนี้ทาีคนมาหาเาไปทิ้งให้มาช่วยหาเมันก็สบายใจสลยทน้อย่างแล้วเกิดเกิจะมาก็ลองคิดเลยีคนในอุปกราระให้คุณหนุนข้งจุนให้อยู่ดีกินดีเราก็ค่อยสบายใจขึ้นเพราะทุกข์มันห้อยลงไป ลูกวุ้ ก, กนหลายคนใดก็ตามเถอะมามากคนเข้ามาเขามียญาติมีเรือนเขาแต่งงานแล้วเขามีคนเลี้ยงคนดูแลแล้วก็พ่อแม่ก็สบายสบไปในกรณีสุดสองตายายเยอะบ้างท่ากระทนทุกขนอย่างยังเยอะได้สองตายายทนทุกข์กันบ้านอันนี้ก็หาที่พึ่งไม่ได้ทันเจ็บใครได้ป่วยหมดทันทาแบกบครับท้องแค่กุมาทุกคน เรื่องมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาเป็นมันเป็นคุณประโยชน์ทุกนั่นแหะเป็นโทษก็จริงหรอกแต่ว่าเรามาพิจารณาไม่เห็นชัดตาเป็นจริงนะมันกลับเป็นคุณประโยชน์แ่เราคือเรายอมถลักเราไม่หวังพึ่งมันเพียงแต่เห็นเป็นได้เพียงว่าเครื่องอาศัยเราไม่เอาเป็นที่พึ่งกันจริงจริงจังและเราสบายนี่เราหัดโฆนณาทํากรรมฐาน ต่างๆจะต้องการตรงนี้แหละเพื่อต่อสู้ในการที่จะแตกดับในการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างขนาดนั้นฉะนั้นที่ว่าไม่เป็นเขาแปกอัศน์จันทรเลยถ้าเราภานาเป็นแล้วคราวนี้เห็นเป็นธรรมดาและจิแตแก้เราก็จะได้กล้าหาหาที่พึ่งตนเองได้นั่นยังจะเป็นประโยชน์ในการที่เราได้ประสบคนทุกข์ก็เดือดร้อว่า และจะเป็นประโยชน์แก่ในการพัวนาของเราด้วในการเจ็บไข้ได้ปวมันเป็นเทศให้เราเลือกเป้นหาของจริงว่าอะไรเป็นตัวของเราอะไรไม่ใตัวของเราอะไรแตกอะไรดับอะไรไม่แตกไม่ดับถ้าจะเห็นทัฒนาตนเองเลยเป็นการเลือกเทศอย่างนี้นจริงๆสมควรทุกคนที่จะพากันคิดพ้นพิจารณา อย่าพากันแต่ว่านั่งหลับตาแล้วก็แล้วไปเฉยๆในจิตพลพิจารณาเลยไม่ดีถ้าหากเราพากันนั่งหลับตาไปพิจารณาจิตพ น, นอะไรเฉลยไปสักหน่อยหนึ่งถ้าจิตดวงเลยหลับไปแค่ถ้าจิตไม่รวมก็เลยฟุ้งใหญ่ไปเรื่องจิตเรื่องใจหน้าออกไปแค่ถ้าเรามาคิดพลเฉพาะเรื่องตัวของตนอย่างที่ปายมานี่แหละมันเห็นฮัดขึ้นมาแล้ว มันเราเป็นของแปลกกว่ล่ะคือว่าแปลกด้วยเหตุที่เราไม่ได้คิดคนพิจารณาหรือพิจารณาแต่เราไม่เห็นชัดเหมือนกับมื่อเมื่อก่อนไม่เห็นชัดเพิ่งมาเห็นชัดจึงจันได้เชื่อเป็นของแปลกขึ้นมาจึงได้เชื่วเป็นของอจิจันธรรมะธรรมฐานธรรมายอย่างเดียวกว่าได้ผลประโยชน์คุ้มค่าเน่อธิบายทั้งเรื่องความแก่ความเจ็บความตายสรุปรวมความย่ยอๆพอที่จะนำไปพิจารณาได้ แค่นี้